สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เป็นวันที่สองมกราคมเป็นวันเปิดสักการะของหลายๆท่านที่เริ่มทำงานแล้วบางท่านก็อาจจะได้รับการหยุดชดเชยบ้างนะครับก็ขอพระเจ้าได้ทรงเมตตาทรงนำและเสริมเรี่ยวแรง กำลังในการรับใช้พระเจ้าต่อไปในสถานภาพที่เราได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าครับไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจการรับราชการหรือการทํากิจธุระต่างๆหน้าที่การงานที่เราทั้งหลายรับผิดชอบก็ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอํานดผ่รนให้ได้จำเริญขึ้นและสามารถที่จะขยายแผ่นดินของพระเจ้าในการประกาศพระกิติคุณนําวิญญาณ น, นั่นคือนามัตย์ไทยขององค์พระเยซูคริสต์ครับ พี่น้องครับในเดือนนี้ผมอยากจะนำกฎทองคำ20ข้อก็คือเพื่อสร้างชีวิตที่สมานฉันและดีงามซึ่งท่านผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับก็คือท่านศาสนาจารย์ฟิลิปเทงท่านเองนั้นเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นศาสนาจารย์ด็อเตอร์ฟิลิปเทงซึ่งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคริสจักร CMA ครับ ในฮ่องกงท่านเองเป็นประธานกิตติมศักดิ์และเป็นที่ปรึกษาของคณะผู้เลี้ยงแห่งสหพันธ์ของภาคในคณะมิชชั่น CMA ท่านเป็นผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์ของสาบันเครตรศาสนาศาสตร์เกียงเต๋าและในสาบันาศสาสนศาสตร์ชาวจีนท่านเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของการประกาศสากลเึ้นจักจีนก็คือโควิดท่านได้จากไปอยู่กับพระเจ้าในปี2013ครับมีอายุทั้งหมด สีรีรวม91ปีครับมรดกแห่งความเชื่อและความรู้ในพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่มอบไว้ให้กับเกตรชนรุ่นหลังต่อไปและผู้แปลหนังสือเล่มนี้คือท่านศาสนาจารย์สุพิษวิจักโยธินท่านได้แปลในปี2014ครับขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้าได้ทรงเสริมสร้างและนำพาผู้รับใช้ของพระองค์ในการที่จะแปลหนังสือเล่มนี้ออกมาและทําให้กิรชนไทยนั้นได้มีโอกาสที่ดีมากครับในการอ่าน หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่ากฎทองคํา20คข้อผมจะค่อยๆนำเสนอนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกๆจับดาครับก็คิดว่าหนึ่งเดือนคงจะจบหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้นั้นเป็นการนำเสนอด้วยวิธีการสรุปเรียบเรียงนะครับไม่ได้อ่านในทุกๆประโยคแต่ว่าได้จับประเด็นเพื่อที่จะมาแบ่งปันกับพี่น้องในทุกๆเช้าประมาณ10นาทีครับ พระวจนะพระเจ้าในบทนามอิสยาห์บทที่ 55: ข้อที่8ครับได้กล่าวว่าความคิดของพระเจ้าก็เหนือกว่าความคิดของเราและทางของพระเจ้าก็สูงกว่าทางของเราในบทนำนี้ได้กล่าวว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีกฎระเบียบและกฎระเบียบได้ปรากฏอยู่ในธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างและแม้แต่กฎแห่งจิตวิญ ญ, ญาณก็เช่นเดียวกันกับก็ปรากฏอยู่ในพระัมภี แนะนำสั่งสอนให้คริสเตียนรู้จักการดำเนินชีวิตและร่วมกันรับใช้พระเจ้าถ้าเราอยากจะให้กฎธรรมชาติดำเนินไปที่พระเจ้าตั้งไว้ก็อย่าฝืนกฎครับเช่นเดียวกันครับชีวิตคริสเตียนดำเนินไปตามคําสอนในพระวจนะของพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลมเกืนสมานฉันอย่าฝืนกฎพี่น้องครับเรื่องราวของธรรมชาติเรื่องราวของจิตวิญญาณนั้น ก็เป็นเหตุเป็นผลเหมือนกันทั้งสองเรื่องราวในโลกของธรรมชาตินั้นเป็นโลกทางกายภาพหรือโลกทางฟิสิกส์แต่ในโลกของจิตวิญญาณนั้นเป็นโลกที่เรามองไม่เห็นไม่ใช่กายภาพแต่เราเห็นหลักการสำคัญร่วมกันครับก็คือในความเป็นเหตุเป็นผลนั้นมีบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผล และมีความหมายลึกซึ้งมากครับยกตัวอย่างธรรมชาติของโลกหรือคางกายภาพประการแรกก็คือเวลาที่มนุษย์จะเินเติบโตเราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่แต่มีความหมายลึกซึ้งครับยกอย่างเช่นการเติบโตของมนุษย์สติปัญญาของมนุษย์จะเติบโตจากการเป็นวัยเด็กเติบโตขึ้นไปสิ้นสุดเวลาที่เด็กโตเต็มที่เป็นวัยผู้ใหญ่ แต่ระหว่างทางนั้นมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่ผิดธรรมดาหรือไม่มีเหตุผลเลยก็คือว่าในวัยเด็กนั้นความสามารถของการฝึกภาษาการเรียนรู้ภาษาหัดพูดมีความสามารถมากแต่เมื่อเด็กค่อยๆโตขึ้นความสามารถนี้จะลดน้อยลงเห็นไหมครับพี่น้องครับมันสวนทางกันครับประการที่2ครับเราจะเห็นกฎทางฟิสิกส์ที่ไม่เหมือนกันก็คือว่าเวลาน้าจับตัวเป็นน้าแข็งนะครับ ปกติแล้ว น, น้ำนี้ร้อนก็ขยายตัวเย็นก็หดตัวนี่คือกฎทางฟิสิกส์ครับแต่เมื่อน้ำกลายเป็นน้ำแข็งมีสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นก็คือว่าปริมาตรของน้ำแข็งขยายขึ้นทันทีครับจนกลายเป็นเพียงน้ำหนักลดเบาลอยอยู่บนน้ำพี่น้องครับนั่นแหละครับคือการสวนทางกันโดยปกติแล้วน้ำร้อนต้องขยายตัวน้ำเย็นต้องหดตัวแต่น้ำแข็งมันขยายตัวครับ เราจะเห็นวิธีการขยายตัวของมันนะครับปรากฏออกมาก็คือน้ําแข็งลอยน้ําเพราะมันเบากว่าน้ําเพราะเนื่องจากมันขยายตัวนี่คือประการที่สองเห็นไหมครับเป็นตัวอย่างอย่างที่สองครับการที่น้ําแข็งนั้นลอยน้ําในสระใหญ่ๆ ห, หรือในบึงหรือในทะเลก็ปรากฏว่ามีประโยชน์ครับเพราะว่าเมื่อน้ําแข็งลอยขึ้นมาข้างล่างเป็นน้ําครับสิ่งมีชีวิตสัตว์ต่างๆนั้นก็ยัง คงอาศัยอยู่ได้ไม่ตายเพราะผิวโลกข้างล่างมันร้อนครับและก็สามารถทําให้น้ํานั้นก็ยังเป็นสภาพน้ําอยู่ได้ชัดไม่ตายครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ําแข็งมันจมนะครับน้ําแข็งมันจมข้างบนมันจะกลายเป็นน้ําแข็งด้วยน้ําทั้งสระทั้งบอ่อหรือทะเลทั้งหมดในช่วงนั้นก็จะเป็นน้ําแข็งหมดปลาจะตายหมดและ สิ่งมีชีวิตจะไม่มีอะไรที่หลงเหลืออยู่ได้นั่นคือความอัศจรรย์ของพระเจ้าที่พระเจ้าจัดเตรียมด้วยความรักพระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ด้วยพระปัญญาของพระองค์และพระองค์รักษาชีวิตสัตว์น้าไว้ด้วยการอัศจรรย์เช่นนี้แหละครับที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติประการที่3ครับการปรากฏอาการที่มีความผิดปกติในร่างกายของมนุษย์โครงสร้างของหูของคนเราครับอัศจรรย์มากหูนั้น มีบางส่วนนั้นเป็นกระดูกอ่อนซึ่งมีความสัมพันธ์กับระบบการฟังอย่างใกล้ชิดขนาดของอวัยวะในส่วนนี้จะไม่เติบโตเป็นเพียงอวัยวะเดียวในร่างกายเท่านั้นที่ไม่มีการเจริญเติบโตนี่คือสิ่งที่สวนทางกันกับกฎของการเจริญเติบโตของร่างกายของมนุษย์และปรากฏการณ์ที่ตรงกันข้ามกับข้อ3ก็คือว่าร่างกายทุกส่วนของมนุษย์นั้นจะเติบโตขึ้น ในวาระหนึ่งแล้วก็จะหยุดการเจริญเติบโตแต่มีสิ่งเดียวที่อยู่นอกระบบการเติบโตนี้ก็คือเส้นผมและหนวดเคราครับถ้าไม่งอกไม่เจริญก็คงลำบากแย่แต่ขอบคุณพระเจ้าครับผมและหนวดเคราของเรานั้นงอกเจริญเติบโตตลอดเวลาปรากฏการสุดท้ายครับที่เป็นตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ในบทนาท่านได้เขียนอย่างนี้ครับว่า ปรากฏการณ์ที่ผิดปกติธรรมดาสามัญในฤดูหนาวก็คือมีสัตว์บางชนิดนอนหลับในขณะที่อุณหภูมิลดต่ำเขาไม่กินไม่ดื่มแต่ยังมีชีวิตอยู่พี่น้องครับนั่นคือปรากฏการณ์ที่สวนทางกับธรรมชาติแท้จริงแล้วเวลาหนาวนะครับเราต้องใช้พลังงานเพื่อที่จะต่อสู้กับความหนาว ปกติแล้วเราจะต้องซื้อฟืนมากขึ้นเพื่อที่จะก่อไฟให้ความอบอุ่นกับร่างกายแต่มีสัตว์บางชนิดที่สามารถที่จะไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มแต่สามารถที่จะเรียกว่าจำศีลครับรักษาชีวิตอยู่ได้พระเจ้าตั้งกฎแห่งจิตวิญญาณไว้เหมือนกันครับในการที่เราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในการที่เราจะมีสุขภาพไฟจิตวิญญาณที่แข็งแรงและมีความสุข มันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ตรงกันข้ามกับหลักการของเหตุผลยกตัวอย่างเช่นประการแรกครับกฎแห่งการแบ่งปันการแบ่งปันนั้นถ้าเป็นเหตุเป็นผลเรามักจะพบว่าเมื่อยิ่งให้เราก็จะยิ่งหมดไปในหลักการของมนุษย์แต่กฎฝ่ายจิตวิญญาณก็คือยิ่งให้ยิ่งมีมากขึ้นประการที่2ก็คือกฎแห่งความเป็นและความตาย ตัวเรานั้นจะต้องตายเพื่อแลกกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์หมายความว่าตัวเก่านนัเราต้องตายครับเพื่อที่ชีวิตใหม่ของเรานนัจะขึ้นไปสู่ความครบบริบูรณ์ประการที่3ครับกฎแห่งเสรภาพต้องยอมให้สัจธรรมผูกมัด ต, ตัวเองก็จะถูกก็จะหลุดจากการผูกมัดของตันหาและบาปและวิญญาณชั่วทั้งหลายเนี่ยครับคือกฎ3กฎที่พูดถึงเรื่อง เป็นตัวอย่างครับดังนั้นเองเราจะต้องถ่อมใจลงปล่อยวางทัศนคติตามกระแสโลกของเราซึ่งเราอยู่ในโลกนี้มานานกระแสโลกนั้นได้บังคับเราได้ผูกมัดเราให้เรากลายเป็นทาสของมันขอให้เราถ่อมใจลงครับยอมฟังพระวจนะของพระเจ้าและกลับใจใหม่ทุกๆวัน หันมาฝึกฝนกฎระเบียบของจิตวิญญาณเพื่อเข้าสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ความดีงามความสวยงามความยอดเยี่ยมพระคัมภีได้ให้กฎปฏิบัติด้านจิตวิญญาณไว้มากมายให้เรามีใจหิวกระหายและมีความถ่อมใจมีท่าทีที่อยากเรียนรู้ฝึกฝนมีใจพร้อมที่จะกลับใจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราก็จะเข้าสู่กฎแห่งจิตวิญญาณที่ บางครั้งอาจจะดูเหมือนสวนทางกับเหตุผลความเป็นมนุษย์ของเราแต่เราจะเข้าสู่มิติจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมที่เลิศประเสริฐที่อัศจรรย์นี่คือประสบการณ์ของเราที่จะมีกับพระเจ้าในเดือนมกราคมปีใหม่นี้ขอพระเจ้าทรงช่วยและทรงอำนวยพระพรให้พี่น้องที่รักของข้าพเจ้านั้นจะได้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้า ในพระวจนะของพระองค์โดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมน